ตอนที่พระองค์เนี่ยนะจวนจับปรินิพานก็คือเหตุการณ์ก่อนปรินิพานสักเล็กน้อยพระองค์ก็ได้เคยบอกกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายโดยล่วงผ่านจากนี้ไปอีกสี่เดือนเราจะปรินิพานตอนนั้นมีพระภิกษุ ป, ปุตุชนเนี่ยนะติดตามพระพุทธเจ้าประมาณเจ็รอรูปเจ็รอรูปนะที่เป็นปุตุชนโดยมากก็เป็นพระอริย ปีกสู่ปุทชชนเหล่านั้นเนี่ยสังเวชมากพระพุทธเจ้าจะปรินิพานแล้วทำไงดีก็ล้อมเลยกันเนี่ยห้อมล้อมเรียกว่าเป็นเครื่องเหมือนยกกองทัพไปไหนก็ตามเงินไปตลอดมีพระเทระยุรูปหนึ่งชื่อว่าพระอั ต, ตะะถะเทระเนี่ยนะอัตตะแปลว่าตนอัถะแปลว่าประโยชน์พระผู้เล็งคำหนึงถึงประโยชน์ของตนใส่ใจถึงประโยชน์ของตนคือพระรูปนเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจถึงประโยชน์ของตน ก็เลยคิดว่านี่มีข่าวมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าจักปรินิพานโดยล่วงไปสี่เดือนก็ตัวเรานี้ยังเป็นผู้ที่ยังมีราคายังละราคะไม่ได้เลยยังมีโทสะยังละโทสะไม่ได้เลยยังมีโมหะเป็นต้นยังละสรุปว่าละอคุศนอะไรไม่ได้เลยเมื่อพระองค์มีพระชนอยู่นี่แหละเราจะพยายามบำเพ็ญประโยชน์ตนให้สําเร็จเป็น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 พระพุทธ ไ, ไ, ไม่แนะนําให้ทําอย่างนี้หรอกไม่ไม่ได้สอนให้ให้พูดแบบนี้หรอกเพราะฉะนั้นแล้วแต่โย ต, ตนไอคําว่าตนแปลว่าไม่ใช่คนอื่นบอกเออตนมันมีด้วยหรือถ้าไม่มีภายในนะตนแปลว่าภายในไม่มีแท้จริงอภิธรรมพระองค์ไม่สอนอัจชตังวาปะหิตาวาใช่ไหมอัชตังวาปะหิตทาว า, ว า, ป า, วาเป็นภายในอัชตะก็คือภายในอ่ะก็คือตนนะั่นแหละนับเนื่องในตนเรียกอัชตะอัชตังวาปะหิตาวา อชตาธรมมาธาธรมม า, าพระหิทธาธรรมมาอชตาพระหิทธาธรรมมาอจตารมนาธรรมมาพระหิทธารมนาธรรมมาอชตาพระหิทธารมนาธรรมมาเนี่ยนะมันมีคําว่าภายในตนตนปแปลว่าไม่ใช่คนอื่นก็แล้วกันนะเนีย่ยนะก็อยู่ภายในตัวเรานี่แหละแล้วไอ้ตัวเราจริงอะมันคืออะไรจําแนกไปแล้วมันก็ไม่มีอัตตะแบบเบียร์ถีคิดขึ้นแต่รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยคืออะไรภายในตนนะอะไรคือตนก็คือเนี่ยศีลนี่แหละเป็นประโยชน์ตนพระองค์จึงบอกว่า ให้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งประโยชน์ที่ตนควรจะได้รับในาศาสนาเนี่ยคืออะไรประโยชน์ของเราจริงๆที่เราเข้ามาในพระาศาสนาเนี่ยจริงคืออะไรคือสติปทานได้ไหมแค่ไหนอย่างไรสัมมาปทานได้ไหมแค่ไหนและอย่างไรอิทธิบาทอินทรีย์พล ะ, ระโพชงและองค์มักแต่และอย่างเราเป็นอย่างไรเนี่ยนะศรัทธาของเรานี่จเจริญขึ้นแค่ไหนที่เรียกว่าศรัทธานี้ที่จะช่วยให้เราข้ามจาก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 ไม่รู้เมื่อไรก็ไม่ทราบมันเอาว่าชาตินี้ก็แล้วกันเนี่ยนะเขอบอกว่าอาหารตั้งอยู่เต็มโตะเนี่ยก็แหมพยายามบริโภคยายาบริโภ ค, โภ ค, โภคได้เท่าไหรก่ก็นั่นแหละอย่าไปคิดถึงหวังน้ําบ่อนหน้าให้ที่มันแหมอย่าลืมว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยถ้าเปรียบเป็นรูปธรรมเนี่ยนะสาธาเทวมนุษสานังแปลว่าพระองค์ผู้เป็นหัวหน้าพวกข้ามภาษัตข้ามจากกันดารแปลว่าข้ามจากทะเลทรายวันเมื่อก่อนเนี่ยไม่เข้าใจช่วงนี้กลับไปที่กุฏิ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 แ ง, แงถ้าเกิดมาใหม่เนี่ยนะโยังเอาเกิดมาในโลกเราเนี่ยโลกที่มีผู้ศาสนามีอยู่กี่ประเทศแต่ละประเทศนี่มีเท่าไหร่แล้วเราควรจะไปเกิดที่ไหนล่ะเออเชื่อเถอะคนมีศีลไม่ค่อยมีลูกโดยมากเหนไแล้วไปเกิดที่ไหนล่ะคราวนี้เออเกิดอยู่ในครอบครัวไหนตระกูลไหนแล้วเขาจะแนะนําอะไรเราสอนอะไรเรา เนี่ยนะเขามาว่ายัางเมียังเมีมีเด็กๆที่บ้านนี่แหละสองสามคะนะที่มแม่เก่งมากเกิดมามีบุญอิติปิโสได้กัตก้ตัวเล็กตัวน้อยแล้วเนี่ยนะก็แสดงว่าเขาทําบุญมาดีมากเนี่ยนะซึ่งถ้าเทียบกับแม้ถ้าเทียบกับเราเองนะเมื่อคืนยังคุยกันอะไรโอ้เด็กเหล่านี้มีบุญแท้นะเดินไปเดินมาก็ได้ยินสวดมนต์หนักๆเข้ามันก็สวดได้แล้วเดินผ่านนะเฉียวเฉียวก็สวดได้แล้วเนี่ยนะเดินเฉียวก็ยังสวดมนต์ได้แล้วทําบุญมาดีจริงๆริงไแต่ของของเราตอนนั้นไปทําอะไรไปทําปานาติบาส น, น, นี่นะ วิ่งอยู่กลางทุ่งตกเบ็ดโน่เนี่ยนะโอ้ยดีใจมากเอาไปโชว์แม่แม่แม่เนี่ยดีใจมากเก่งจังเลยลูกอย่างนั้นอย่างเงี้นะถ้าลูกตอนนี้บอกโอ้ยเก่งอะไรเนี่ยนะมันจะตกนรกกันทั้งแม่ทั้งลูกไม่ว่าเนี่ยนะว <c oughs> ันนี้พยายามหาทางบอกแม่จะทำยังไงให้แม่ไม่ตกนรกเนี่ยนะหาทางบอกแม่ฟังทำแล้วกันแบ่งเวลาฟังทำบ้างนะบอกรักษาศีลบอกเออลูกบอ ก, บอกบอกปีนี้แม่รักษาอุโบสถสมเดือนเหมือนกันบอกไอะไร็เก้าเดือนน่ะเริ่ ไอ้เก้าเดือนที่เหลือแล้วแม่นี่ก็คุยกันนะแล้วก็ปัญหาเนี้ยเราก็มาคิดดูว่าเออเนี่ยแล้วแล้วต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะฉถ้าหากว่าต่อต่อไปเนี้ยค่อนข้างลําบากมากเพราะโพธิปกักกยธรรมอริยทรัพย์เนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนอย่างว่าอะไรหนึ่งถ้าเราไม่รวบรวมอริยทรัพย์ต่อไปนะหนึ่งถ้าเราไม่ไม่สะสมทรัพย์คือศรัทธาในพระพุทธเจ้าโอกาสที่เราจะมีศรัทธาในพระองค์ก็ลดลงไป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 ที่จะมาแนะนํากันมาสุดจริตเป็นอย่างนี้นะประพฤติดีเป็นอย่างนี้ทําดีด้วยกายเป็นอย่างนี้ทําดีด้วยวาจาเป็นอย่างนี้อูยหายากมากแม้กระทั่งว่าในแวดวงสมัยใหม่เนี่ยดื่มสุราเนี่ยบอกโอ้เธอเนี่ยดีนะอย่าดื่มเลยมันไม่มีประโยชน์รอกเนี่ยนะมีแต่พ่อแม่ที่แก่ชราเท่านั้นแหละอาจจะค่อยๆบน่นบนบ้าง น, นะลูกเอ้ยอย่าทําอย่างนั้นเลยเป็นต้นถ้าโดยมากแม้ ตำหนิติเตียนกันแล้วดื่มไม่เป็นแหมตำหนิติเตียนถากถางกันมันต้องเป็นด้วยกันมั้นก็กอดคอกันไปสู่อาบายไปหมดมันถ้าหากว่าเราไม่พยายามที่จะเจริญคุณธรรมเอาไว้ให้ดีๆเนี่ยนะเราจะไม่มีแม้กระทั่งกลยาณมิตรที่จะคอยห้ามคอยปราบอันนะพอเราพูดว่าจีทุจริตนะเขาชอบมากพอเราพูดว่าจีสุจริศนะให้มพูดอะไรกัน น, นะนะอย่างที่เขามีบางคนเขาบอกโอ้ยไปฮะไปรถกับท่านรอกบอกวันพาแต่สวดมนต์พาแต่สวดมนต์บอกเออขอบคุณมากเหนกะัน นี่ชมนะเนี่ยบอกว่าหาราหาว่าเราพาสวดมนต์เนี่ยเขาชมเรานะเนี่ยก็แปลว่าเราไม่เคยให้ความเลวร้ายเขาเลยนะเราให้แต่ศรัทธานะเนี่ยเออดีเขาชมเราเนี่ยนะแต่ก็อย่างว่าเอาคนทานเป็นประมาณอยู่ไม่ได้อยู่แล้วละ่ะเนี่ยเราก็เออเขาบอกว่าเออเนี่ยไปกับท่านบอกไปด้วยแล้วอินเดียก็ไม่ไปด้วยแล้วบอกทําไมเออพาแตสวดมนต์พาแต่สวดมนต์สวดแต่มนอย่างเดียวก็อบอกเอา้าเออเขามาก็สวดก็เขามาไปยอมไม่สวดก็ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยเนี่ยนะ เสร็จแล้วก็บอกว่ามันสวดมนต์มากแล้วเกินอ้าวตอนไปก็ไม่ได้ขอร้องให้ไปสักหน่อยเนี่ยนะแล้วก็คิดในใจนะไม่กล้าว่าเขาจะโกรธหนักกันนั้นอีกเนี่ยนะ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 แต่ว่าความดีเนี่ยนะคนดีทำง่ายคนชั่วทำยากอั้นก็ประกาศอยู่แล้วว่าธาตุแท้ของเขาเป็นใครก็ไม่ต้องไปหนักใจอะไรหรอกเนี่ยนะบางคนจะมาฟังธรรมที่นี่ก็เหมือนกันนะบอกว่าโอ้ไปหรอกเพราะว่ามีแต่สวดมีแต่สวดเหมือนกันแต่เพ้อเชอได้ยังไงก็ <c oughs> แต่ก็เรียกว่าสุดแท้แต่าธาตุเถอะทเข้ามาก็ว่าไปงั้นแหละเนี่ยนะ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 อาธรรมนั่นเองเนี่ยนะวัดกันที่สุจริตธรรมและทุจริตธรรมกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเพราะในโลกนี้มีอยู่สองอย่างอยู่แล้วนะคือดีกับไม่ดีกุศลกับอกุศลส่วนอัพยากระตายมันเป็นวิบากแล้วมันเป็นผลแล้วเป็นผลผลิตของกุศลแลอะอกุศลไปแล้วเพราะมันมีสองอย่างคือกุศลกับอกุศลถูกกับผิดมิจฉากับสัมมาเนี่ยนะมิจฉามร ก, กับสัมมามรคเพราะฉะนั้นทํำยังไงที่จะ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 คงใช้อริยทรัพย์อะไรบ้างแล้วในฐานะของเราเนี่ยนะเราก่อนจะตายเนี่ยอย่างพระองค์เนี่ยเข้าปฐมฌานออกจากแล้วเจริญวิปัสนาเข้าทุติยฌานแล้วเจริญวิปัสนาเข้าตติยฌานแล้วเจริญวิปัสนาเข้าจตุตฌานแล้วเจริญวิปัสนาเข้าอากาสานัญญาตนะแล้วเจริญวิปัสนาเข้าตักอากินจัญญายตนะวิญญาณัญญาตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเข้านิโรสมาบัติเจริญฌานเหล่านี้ทั้งอนุโลมและปฏิโลม